พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สพฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าไม่เคยเสียใจที่ได้เกิดเป็นนักบวชมีอะไรก็ให้มาหานะประสานกับครูบาแล้วกด ระเบียบยังไงนะมหาภัยบูนติดต่อกับคู่บานะเอาอยังไงนะหลวงพ่อเนี่ยปแต่คอยดูแต่สั่งบอกให้พระนะแต่มหาภัยบูนเคยเป็นเนนอยู่ที่นี่มา ก, ก่อนในระแวกนี้แล้วก็ไปเรียนที่วังน้อยและก็วัดมากุู จนได้เป็นปทเก้ามหาปทเก้ารู้เรื่องหมดทุกอย่างทางกฎระเบียบในวัดหลวงพ่อด้วยทั้งฝ่ายประยัติ ด, ด้วยและเป็นทำงานกับทรัพย์สินในความคิดหลวงพ่อในเย็นนี้สวนมนสาาะะดมนต์ที่ศาลาให้คณะบทมนต์ลาจากนั้นหลวงพ่อก็จะอบรมเรื่อง กรรมาฐานคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามที่พวกเราลูกหลานเข้ามาศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องและก็วันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราขอรับทานอาหารตามนั่นแนหะจะตรง ก, รงรกันนี้ไดกับบอกตามกฎนะและก็ตอนเช้าหลวงพ่อคงจะอบรมตามปกติที่หลวงพ่อเคยอบรมคณะศรัท ธ, ธายาโจรที่มาวัดทุกวัน อย่างถ้ า, วาพวกติผู้ติดตามเฟซก็ดีตามยูทูปก็ดีก็จะรู้ได้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรแต่ละวันแต่ในเช้านะแต่ในตอนกลางวันเขาคงจะมีเวลาว่างหลวงพ่อก็เลยกะกะไว้อยู่ได้พูดพูดกับพระไว้ยอยู่ว่าแต่ตอนกลางวันจะมีพระจะไปอบรมอยู่ทั้งนอกศาลาคนใดศาลานอกนะศาลาใหญ่นั่ง ส, บ, สบายๆแล้วก็ลงพัด เย็นสบายอยู่ข้างนอกมีอะไรก็นสนธนาปลาลบกันก็เลก็จะให้พระไปแนะนำเป็นวิทยากรสามองค์แต่องค์หนึ่งท่านเป็นพระมาจากกรุงเทพอายุเจกว่ากว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อเน่ยจ็แ้นาะดสัตว์ธาตญาติโยมลูกหลานเป็นลูกพี่เป็นรุ่นพี่ของพวกเราทุกหมดนะมานี่ พวกเรายังไม่กเกษียณอายุราชการใช่ไหมก็เป็นรุ่นน้องรุ่นหลานหลว ง, งพ่อทั้งหมดหลวงพ่อเนี่ยเป็นรุ่นพอ่ออายุ72ปีกเกษียณอายุราชการแล้วทนะ่านก็มีพระที่หลวงพ่อจะให้เป็นวิทยากรก็คือพระองค์หนึ่งดวงตานิคมชื่อของท่านนะท่านเคยเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิล ป, ปากรสองสมัย แล้วก็เป็นคณะบดีมาหาวิทยาลัยอีกสองสมั ย, ย, าายมาหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปกรแต่ก็มาบวชในตี่2พันศาสพันศาหรื3าพันศาผ่านไปแล้วนะแล้วก็มีองค์หนึ่งก็นั่นเป็นทนายความของ C ีเีกษเียณจนไ้กระเีย น, น, น, ยนท่านก็คงจะประสิทธิ์ประสาท แนวความทั้งทางโลกทั้งคดีโลกคดีธรรมที่ดันได้มาประสบปการที่วัดของหลวงพ่อเนี่ยปี2ปีปีสอสปีนี่ก็น่าจะให้คณะสัตยาญาิโยมคณะของเราได้รับความรู้ทางทางคดีธรรมและคดีโลกพื้นฐานและก็พร้อมกันหลวงพ่อจะให้อีกองคหนึ่งก็คือเป็นกานเคยบวชที่นี่ แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เคยรับราชการในจังหวัดเขตจังหวัดอุดรกันเป็นรองเพาะรองเพะ อ, ออกเขตเนี่ยเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนนะเพาะออกเขตหนึ่งรองเพา อ, ออกเขตหนึ่งท่านเกษียณไม่ไม่ไมกเกษียณไม่ดีหรอกเพราะจะอีกปีหนึ่งท่านบวชสมบวชถวายวั น, เ, นเสริจพระชนของพระเทพท่านก็เลยลาออกเลย <laughs> ลาวลาวเลยเสียสละปีนึงแล้วก็เลยอยู่มาเนี่ยเรียว่าจะทั้งสามท่านนี่แหละเรียกจะจะให้องค์ใดที่จะให้ความรู้ประสิดประสาทความรู้ให้กับพวกเราพื้นฐานพวกเราอยากจะถามอะไรอยากจะถามท่านเรื่องอะไรเพราะท่านผ่านทั้งโลกมาแล้วนะแล้วก็ท่านทาไมจึงเข้ามาบวช ท่านก็ค ง, งจะให้คำตอบกับพวกเราได้ท่านนอยู่ในระดับนี้นะแต่หลวงพ่อนี่มีแต่ศึกษาทางธรรมทางโลกหลวงพ่อไม่ได้ศึกษาพอหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่เป็นเนน้อยอายุส1บอ็ดย่างสิบสองปีบวชมาเป็นเป็นเนเลยอยู่กับหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก้อมุกตะหารถ้าใครถ้าใครไปทางน่น่นไปกราบหลวงปู่ยามกราบหลวง ปูสีทางนู้ดอ่ะทางมุกดาหารจะเห็นได้ผู้จกอนนี่แหละต้นกําเนิดของหลวงพ่อที่บวชกับหลวงปู่ล่าปี 2,500 นะลูกหลานบางคนก็คงจะยังไม่เกิดกันมั่งนี่หลวงบวชหลวงพ่อบวชปี2500นะลูกหลานเป็นสมณีนะกลึงพุทธการเป็นสมเณีกลึงพุทธการพอบวชมาเป็นสมณีแปดปี บวชเป็นสาเด็จจุ๘ปีที่พูเจากอมุกดาหารพอครบพระอายุ 20, 20ปีเนี่ยต้องบวชต้องอุปสมบทถ้าไม่ถึง20ปีจะอุปสมบทไม่ได้ต้องอายุ20ปีสักคนจึงอุปสมบทเป็นพระได้ว่าวีสติวีสติวัดโซซิแปลว่าท่านนับว่า20ปีเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่เต็มที่นหละของพุทธศาสนาเพราะนั้นท่านจะให้บวชได้ หลวงพอกบวชปี08บวชเป็นสามเารณปี 2,500 แล้วก็บวชเป็นพระปี08พอบวชเสร็จแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่ภูเจ้าก่ออีกเป็นอนว่าอยู่จําพรรษาที่ภูเจ้าก่อเป็นเวลา9ปีเป็นสัมเารอยู่1ปีให้เป็นสัมภารณ์ถึงแปปีเป็นพระอยู่ถึงปีเป็นเปีจากนั้นหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาที่รูปอยู่ทัง สูงเอ่อเป็นหลวงอาจามแต่หลวงปูล่ลานี่องเน่เนี่ยหลวงป่าแต่เนี่พอหลวงอาจามมาจากเชียงใหม่หลวงอาจามเนี่ยท่านบวชแต่อายุยี่สิบเก้าปีไปอยู่จังๆเชีย ง, งใหม่เกือบสามสิบปีอยู่กับหลวงปู่แวน่นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ต่างๆอยู่ทางปู่ชอบอยู่ทางเชียงใหม่ แต่ทีพ่พอแม่ของท่านบวชเป็นชีเหมือนกันที่เป็นโยมญาตินะบวชเป็นชีพอนั้นแล้วก็ออกบวชบวชอายุยมแม่ของท่านประมาณจักเจ็ดสิบกว่าเกือบแปดสิบท่านก็ไปตั้งแต่บวชแล้วไปเลยอ่างั้นไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเลยเอี่พราะเหตุไรเพราะว่าตอนที่บวชแม่ขอบวช แม่ขอร้องอท่านกําลังจะสมัยนั้นกับชาวบ้านนอกก็มีอะไรเขาใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มขึ้นมาอายุมากแล้วกับแต่งงานแต่ท่านกาลังจะแต่งงา น, แ, งงานแม่ก็บอกว่าถ้าแต่งงานกับแม่ก็ดีใจแต่ถ้าลูกบวชให้แม่จะดีใหญ่มากกว่าก็ทำธรรมดาบวกคนเป็นชีก็ต้องว่ายอย่างนั้นใช่ไหมเออ ถ้าบวชเป็นพระให้แม่เนะี่ยแม่จะดีใจมากกว่าแต่งลูกชายก็เอาอย่างนั้นแล้วคนแม่จะให้ผมบวชกด็ดีถ้าบวชได้เอาเขาปรับไหมใส่โทษผมนะไม่เป็นไร เ, เดี๋ยวให้เขาปรับถ้าเขาจะปรับผลนี่สุดเลยปรับสมัยนะั้นค่าสินสอดสิบสองบาทเขาปรับหกบาทอันนี้หลงอาจามนะ จาก้แม่ก็เลยให้บวชบวชก็มาบวชอยู่นี่แหละมาบวชที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรกับท่านเจ้าคุณธรรมนะเจดีจากบ้านหุยทรายเดินมามันใช่ธรรมดาหรลวงพ่อว่าโอ้โหเดินมาสมัยก่อนนะันนะดุกบุกดาปาพาดงมาพอบวเชเสร็จแล้วก็นะ่กลับไปถึงบ้านแม่ก็บอกว่าครูบาไม่ต้องห่วงแม่นะแม่มีลูกหลายคนครูบาจะ จะไปที่ไหนไปเลยลูกของนั่นพี่ๆน้องๆหลายคนดูแลพ่อแม่ได้พ่อก็บวชแล้แม่ก็บวชพ่อก็บวชเป็นพระแม่ก็บวชเป็นชีครูบากบวชเป็นพระไปเลยไม่ต้องห่วงจะไปที่ไหนไม่ต้องหันหน้ามาบ้านอีกต่างหากหลวงอาจามไปแบบปุตตรุดไม่เลี้ยวหน้ามาบ้านอย่างว่าเท่นี่ั้งสามสิบกว่าปีเห็นว่า ขนาดนั้นละหนีออกจากบ้านแต่พ่อแม่แม่ได้คิดถึงพอลรงพ่อตายได้ต่อมาพ่อบวชได้หกพรรษาพ่อก็เลยมาณ ะ, ะภาค พ, พ่อเป็นเป็นพระเนี่ยแต่หลวงปู่จามเนี่ยนั่นอยู่ทางเชียงใหม่แต่จดหมายพ่อจดหมพ้พี่ พ, พี่น้องๆไปกราบลาธนามาจากไห น, นจดหมายชามาจากมุกดาหารเนื้อหาสาระยังไม่ได้อ่านเนาะสิเท้งเล คือไม่อยากจะทราบว่ามันเรื่องอะไรเนี <c> ่ <oughs> นี่แหละตอนนี้พอโยมแม่ของท่านอาการหนักติป่วยเดินก็เดินเดินแต่คุณย่าเนี่ยก็โอ้มีอุตสาหะวิิยะนะเออท่านเดินจงกรมเออท่านเดินจงกรมเนยใช้ใช้สี่ขานะเดินสองขาแล้วก็ใช้ทอมไว้สองเทาง้าเออเดินอย่างนั้น หือไม่เสียซ้ายเสียขวาขนาดเดินยังกรมขนาดนั้นนะวันนี้ได้กี่เที่ยวได้สามร้อยเที่ยวนะขนาดนั้นนะพราะนคนคนยังอายุยืนนี่นั้นนะท่า น, นก็เดินเดินยังกรมแต่ีพอหลวงอาจารย์มาท่านก็เลยบอกเออเออมาอยู่ด้วยนะไม่มีใครมาหลวงพ่อในฐานะเป็นหลานใช่ไเพิ่งบวชมาได้หนึ่งพัรสา หลวงอาเรียกมากเ็เลยหลวงปู่ล่าก็มีพระก็มาสององค์อยู่กับท่านแล้วแต่ก่อนอยู่บางทีอยู่กับหลวงปูล่ลาสององค์เหมือนกันนะอยู่ในภูเขาภูจอกอลูกนั้นพอล้ก็เลยให้พระอยู่แทนหลวงพ่อก็เลยมาอยู่กับหลวงอาจามต่อมาอยู่ปีกวักหวาม่ยมแม่ของท่านก็เลยมรณะภาพเป็นไม่ชีมรมรณะลงไป ถ้าลงไปท่านก็บอกเออตุที่ทเชียงใหม่เขาเรียกพระเรีย ก, กตุใชเ่เรียกเนนเขาเรียกพระนะเอสามเนรเขาเรียกพระนะจางภาษาเชียงใหม่นะอพระก็เรียกตุ๊ตุจะไปด้วยมไหมถ้าไปด้วยก็ไปถ้าไม่ไปก็อยู่บ้านไเปเลยไปครับลวงอาครับจากนั้นลวงอาก็เลยพาไปไปปีศูนย์แปด แปลว่าศูง9เก้านี่ยจำพรรษาที่มุกดาหารปี2องพนห้นนะ่ขึ้นไปเชียงใหม่ไปก็อยู่วัดเจดีย์หลวงหลวงอาเนี่ยท่านในพรรษาเนี่ยท่านจะแสดงธรรมโปรดญาติโยมที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ในพรรษาพอออกพรรษาท่านออกไปจำเที่ยววิเวกไปที่อื่นพนในพรรษากับคนใ น, นมณ์มาอบรมตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็น อันนั้นคือการอบรมวัดจิริหลวงสมัยก่อนอบรมกรร ม, รรมฐานจันทรคุณอุบาลีคุณปอุปจุคุณอุบาลีคุณอุ ป, ออาอปามาจาร์เป็นผู้วางวางหลักฐานไว้แต่นนี้ลงอาจารย์กับกำเนิดเชียงใหม่อยู่วัดจีริหลวงท่านก็เลยบอกโต <c oughs> เป็นพระป่า <c oughs> ควรไปอยู่กับหลวงปู่แหวนไปไหมไปครับน <c oughs> ั่นแหละ หลวงพ่อก็เลยไปอยู่จําพรรษากระหลวงปู่แหวนปี 2,510 ไปจำพรรษาหลวงปู่แหวนมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูอยู่ด้วยกันสององค์หลวงพ่อเป็นองค์ที่สามเป็นพระน้อยกว่านั่นอ่ะสรุปแล้วคือหลวงพ่อทําหน้าที่สมเด็ปีนั้นเพราะท่านเป็นพระผู้เท่าด้วยกันหลวงปู่แหวนก็นอายุเจดิบกว่าหลวงปู่หนูก็หกสิบกว่า หลวงพ่อก็ยี่สิบสามปีนั่นนะเป็นต้มน้ำอะไรปัดกวาดทำมาเป็นสามเณรรักษาปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งสององค์เพราะเราเคยเป็นเนรไปตั้งแปดปีแต่มนมั น, มนความคล่องแคล่วมันมันมีอยู่แล้วนะจากนั้นหลวงพ่อก็อยู่กับหลวงปู่จามอายุกับหลวงปู่แหวนปีหนึ่งจำบรรษานะ โอ้ดีรับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขมาก3มองค์อยู่วัดร้อยแม่ปังอําเภอพร้พาวจังหวัดเชียงใหม่พราะออกพรรษาหลงอากเป็นห่วงท่า น, นก็เลยขึ้นไปเยี่ยมแล้วก็ไปรับลงมารับม า, มาอยู่ที่ชอแล่จากนั้นก็หลวงพ่อก็ออกไปเที่ยวทุ่งตรงพอน้องชายลูกของอามาอยู่กับท่านคือเราก็ไม่ได้ยกไม่ได้ปล่อยให้หลวงอาอยู่ตามลาพัง มีหลานเข้ามามีน้องเข้ามาก็ได้อยู่ทันเราก็เลยออกปีกวิเวกไปทางลาวแวกนั้นน่ะไปขึ้นไปทางปางเกิดไปทางดอยเชียงดาวต่ามผาปองท่าปากเพียงแท้ๆนะทเะยอำเภอเชียงดาวพอกำลังคิดว่าคงจะจำบรรษาทางนู้ดอีกต่อแต่นี้ทางญาติพี่น้องทางมุกดาหารนน้องชายของหลวงปู่จามหลวงอาเนี่ย น้อนน้องๆท่านโอ้พระหุวยซ้ายไม่มีก็ได้ตามขึ้นไปไปนิมนต์ลงมาพอนิมนต์ลงมาหลวงพ่อเองก็คิดว่าจะ เ, เขาเขาบอกให้หลงหลวงพี่โน้มน้าวหลวงอาด้วยนะขอขอให้ร้องขอท้องอให้ออนิมนต์ท่านลงไปผมบากหน้ามาเสียเงินเสียทองขนาดนี้มานิมนต์หลวงอาจึงนั่งให้ลงอากับให้ลงช่วยช่วยบอกด้วยแล้วก็พยายามโน้มน้าว ขอเมตตาหลวงอาให้กลับไปโปรดลูกหลานพระลูกหลานเ อ, อไม่มีพระอยู่ทางนูน้นหลวงตางเท่านก็ไม่อยากจะกลับอ้าวกลับกอกลับพอท่านตกลงว่ากลับเราก็เลยขอหลว ง, งอาครับเมื่อหลวงอ า, ากลับไป้ผมขออยู่ทางนี้สักหน่อยนะผมจะตามหลังไปอ้อไม่ได้ต้องไปด้วยกัน <laughs> เลยลงมากับหลวงอาปีนะั้นเลยมาจําพรรษาอยู่ที่มุกดาหาร บ้านห้วยสายปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดอาจารย์รษาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บหลวงอาขนาหลวงอาก็ยังหนีจากบ้านเตร์ดเปิดเปิงจนสามสิบกว่าปียังค่อยกลับมาแต่ผมนะ่ยยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่จะมาอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ทนะไมไหวนะล่ะหลวงอาถ้าผมอยู่ตายแน่แนเลยเคือตายอย่างไรตายจากการเป็นพระงั้นเออ พอสาวสาวรุ่นลาวเขาเดียกันนะยี่ย่บสามยี่สิบสี่ใช่ไหมกำลังเป็นหนุ่มอีกไม่ได้เราหลวงอาถ้าผมอยู่เนี่ยผมต้องตายจากพระแน่แน่ถ้าจะให้ถ้าจะจะให้ผมอยู่ในออสอมมณเพศผมต้องหนี อ, อ้าไปไปไปหลวงอางอาุุญาตก็เลยขึ้นมาทางนาครพนมทางจากนทนครมาอยู่กับหลวงปู่ปู่ฉิม พุทธาจาโอนะ่ะท่านอยู่ท่านมาเยี่ยมบ้านที่วัดสุทธาวาสแล้วกัหลวงปู่แว่นกับหลวงปู่ฟัน่น อ, อ่าจาโรที่วัดเป่าลมสมพรจะนั้งขึ้นมาครูบาอาจารย์หลวงปู่สมัยหลวงปู่เสิ้ยงทองหลวงปู่สุภัสไลมาเลยจนมาถึงหลวงปู่เขาหลวงปู่บัวหนองแซงหลวงปูออ่อ่อนจะนั้นก็เลยเข้าไปบ้านตาดก็บ้านตาัดเคยคิดว่าไม่อยู่นะจะไม่อยู่ ก็คงจะทะเละทะไลไปทางอื่นอีกอยู่คือเขาจะไปล่าอาจารย์ด้่ยก่อนว่าล่าอาจารย์เออเออเจะไปองค์ไหนที่วาดเอ อ, เ อ, ออุปนิสัยเข้ากันได้ฟังได้เชื่อถือได้ที่เป็นที่เป็นที่ทสบายใจเป็นที่ตายใจเราก็จะมอบหมายมอบฝังเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านแต่นี่เราเข้าไปบัดลงตาก่อน แล้วคืเราเข้าไปเข้าไปวัดหลวงตาประมาณจะ ป, ปลายเดือนเมษาเข้าเรือนพฤทธสภาเนะ่ะเข้าไปกับหลวงปูล่ลีทำผ้าแดงกนะุชลาตะโรท่านเป็นผู้เนะพราะเราหมดหมดจะตังเลยเลไม่มีเงินเลยไม่มีเงินแม้จะจะตางเดียวเลยงเงีนยพอพระกรรมาฐานไปที่ไหนไม่มีตังนะเนี่ยก็ไม่แต่เดินไปแล้วก็ขอกูบายจานนะไปที่ไหนญาติศรัทธาญาติโยมเขาส่งไปบ้าง ไปบ้านนั้นบ้านนี้ลดขานั้นก็หายากอีกต่างหากอะไรขอเกาะหลวงปู่ลีเข้ามาบ้านตาดอะไรมาอยู่ที่บ้านตาดปีสองพันห้าร้อยสิบสองพอมาอยู่แล้วโอ้หลวงพ่อพูดได้เลยว่าพระในประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านผ่านมาหลายหลายองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยดูที่สุดในโลก โอ้ถ้าได้ดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาชี้นิ้วเลยเนีย่ยเอออย่าให้เห็นอีกนะนักวัดหนีนะถ้าไม่ตั้งใจอย่ามาอยู่หนีคืออันนี้คือลงตาเนี่เป็นธรรมชาติเลยว่ะจุดเนี้จะไล่พระฝรั่งไปพระไทยเอาทั้งนั้นมันก็นเถอะโอ้โหไม่เคยเห็นพระคูบาจัน หลวงปู่ลาเลยว่าวะตะไม้ก่อนก็ดูโย่ดุแบบปูปู ป, ปูดุให้หลานฮะปูดุให้หลานพอดูแล้วก็มากันเอามาไปไง่ายเออไอ้ข้าวสอนอสอนอีกเออทิ้งขาวดูก็ดุพอดูแล้วก็สอนหลวงปู่ล่าแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยแบบดุแบบแบบอาจารย์สอนสิทธ์ฟังหรือไม่ฟัง ถ้าไม่ฟังไม่ศึกษาอยู่ทำไมหนีอยู่ให้หนักวัดเราไม่ต้องการพระที่ไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจเอาอยู่โอ้พระเนี่ยเหมือนกับผ้าพับไว้เลยบางท่น เ, เป็นระเบียบถ้าเห็นลงตามาเนี่ยถ้าเห็นลงตามาัเนี่ยถ้าเห็นเสือทานนี้เนี่ยจะดดดไปวิ่งไปทางเสือเลยเ ไม่ว่ า, าพระฝรั่งไม่ว่าพระไทยว่าไงนะกลัวลงโอ้กลัวลงตานะจะมากลัวอะไรเกือกลัวคุณธรรมของท่านคือท่านพูดมีเหตุผลนะหรือท่านอยู่อยู่นั่งคุยกันเลยมันมีเหตุผลอะไรมันเสียเวลาเอจะมาคุยกันทําไมทําไมมันหมดหน้าที่แล้วหรอือทําไมไม่ไปอยู่ไปปฏิบัติของใครของเราทำไมอยู่ทําไม นั่นแหละพอพอ น, นั่งคุยกันกับเราผิดแล้วสินะขนาดนั่งคุยกันนะผิดแล้วเหมือนกันเออพอเห็นท่านมาแต่คือเราเหมือนกับเหมือนกับไก่แตกลังลักษณะอย่างงั้นแหละอันนี้คือคืออยู่กับลงตาไปอยู่เข้าไปวันสองสา ก, กันโดนดุไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะโ ด, โ, ดโดนโดนโดนดุวันแรกเลยแล้วเอางั้นถ่ายเนี่ยพออย่างเราเล่าเป็นนิเป็นคำค้ำให้ฟัง คือเราอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเราบวชมาเป็นเนอย่างที่ว่าให้ฟังน่อยู่กับครูบาอาจารย์เราน่เรารู้หมดนี่วิธีการปฏิบัติตื่นลึกหนาบางครูบาอาจารย์วางใสอย่ังไงยงไงเราก็เข้าไปหาได้แต่เขาวันลุกตามหาบวชที่ดูแต่พอมาถึงแต่พอมาถึงนี่ตามปกตินี่วัดป่าบ้านตาเนี่ยท่านจะไม่ฉันท่านจะไม่ไม่มีน้ำป่าหนะฉันนะ ท่านจะไม่มีโกโก้กาแฟน้าปนานะฉันตอนเช้าแล้วก็เสร็จถ้าวันไหนมีงานงานโยธาจังหวัดเทเน่ถมดินทําทางและทํากระต๊อบหรือทําอะไรทํางานโยธาช่วยกันทําวันนั้นท่านจะให้ต่บน้ําชงกาโกโก้ให้พระฉันถ้าไม่มีงานไม่ให้ฉัน มาให้ยุ่งต่างคนต่างไปอาบน้ำเสร็จไปไปต่อมานี่วันนั้ น, นกำลังขุดสะเขาเอาแมโคโนมาขุดสะทางทางหน้าวัดท่านก็ไปนั่งดูพระกคต้มน้ำเราก็ไปก็ไปไ ป, ไปฉันน้ำวันนั้นพอฉันนียพระทั้งหลายไปนั่งหลบอยู่ข้างๆเด้แต่หลวงตาในท่านนั่งจันเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย ไม่กลัวเลยกลัวทําไมจะไม่กลัวกูบาดจานหลวงพ่อก็นั่งอยู่ตรงนั้นมองให้เห็นท่านนั่งอยู่ตรงข้ามทั้งหลวงปูล่ลีทั้งอะไรนะนั่งอยู่ทั้งหลังหมดเหมือนนพวกที่รู้นั่นนั่งทั้งหลังหมดแต่หลวงพ่อไม่รู้ไม่กลัวเหมือนคนที่ไม่รู้นี่ไม่กลัวนะเออคนที่รู้นี่กลัวเหมือนทั้งพระฟรองพระนั own, ่งเอาเอาเกานะเกาะกบตัวนุ่นเะล็กๆนะนั่งอยู่ทั้งหลังวินี้ก็นั่งชั้นอยู่ข้างหลัง แต่ลงตาได้ก็นั่งเอาผ้าท่านกั้ยามของท่านเล็กๆแล้วก็ผ้าปูนั่งเลย ก, กันทางกับชันพอฉันก็รู้เอาไปเอาเก็บเจนะแต่ก็กลับกุฏิของท่านพอกับกุฏิของท่านกุฏิของท่านเนี่ยมีต้นขนุนบ้างต้นลำไ ย, ยบ้างอะไรน้แรกนั่นแหะที่ต้นกุฏิของเขาจะทําทําเป็นคันอ้อมมาไว้แล้วก็มี ไม้จำแบบอาบน้ําวันนี้อาบน้ำํำสิต้นหนึ่งวันนี้วันนี้อาน้ําคือน้นําเลยไม่ให้เสียเลยไนงะน้ําที่อาบลงมาให้มันให้มันอยู่ในต้นลําใหญ่ให้มันต้นขนุนต้นมะม่วงอนะไรเนี่อไม่ให้น้ําเสียเพราะมันอีจฉามันหาน้ํำยากไลยอย่างนั้นก็พอท่านกลับไปท่านก็มีผ้าแล้วพระเขาก็เตรียมไว้หลวงปู่ลีกระทรวนหลวงพ่อแล้วบาดไปอินอินอิน่านเนี่ย ไปสงน้ำพระแม่กุญจารย์ไปคือตามปกติเนี่ยพระกรรมฐานเนี่ยนะจะลงปู่ฟันก็่าที่ลงปู่ขาวก็่าที่ลงปู่ต่างๆที่มีสิทธิ์างน้อยสิทธิ์มากๆเนะี่ยตอนเย็นมาท่านก็จะไปส่งน้ำท่านเวลาก็เปลี่ยนน้ำผ้าท่านถูลังน้างอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอะไรให้ท่านอาจาริยวัตเนะเรียกว่าอาจาริยวัดวัดประพฤติต่ออาจารย์ที่สิทธตบ ป, ปฏิบัติต่ออาจารย์อาจาริยวัดถ้าเป็นอุปชาเนะอุปชายวัด อันน้หลวงพ่อปฏิบัติตามอาจารย์ิยวัตรทำแต่นี่มอบรรลึงหลวงปู่หลวงตาเนีท่านไม่เอามาเลยท่านบอกว่าไม่ต้องยุ่งหรอกท่านยังน้อยหนุ่มอยู่ต้นหกสิบกว่าปีใช่ไหมหกจะเข้าเจ็ดสิบอาจก็าายเราเราสงเองเราอาบเองน้าไม่ต้องก็มายุ่งพระก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งถึงลหลวงปู่ลีนะบอไปอิดินๆไปสงน้าเพราะแม่กุญจาร์มาเลยเราก็ถือใจซื่อใช่ไหมหลวงปู่ลีชวนใช่ไห แต่พอท่านกลับไปแล้วนี่ท่านก็เปลี่ยนผ้าจะส่งน้ําท่านนะแต่เราก็เดินเข้าไปหละดูดูดเข้าไปเลยเราไม่กวนเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่หลวงปู่ลีเนี่ยเดินตามหลังเราท่านท่านท่านดูอักบับกิริยาหลวงตาว่าจะว่าอย่างไงใช่ไหยถ้านหลวงตาเออเอามาส่งน้ําให้เราหน่อยก็จะเข้าไปเหมือนกันถอะถ้าท่านหลวงตาดูเราหลวงปู่ลีก็จะเปิดแอบก่อนเพื่อนเลยเหมือนกันเอะ ท่านท่านรู้เหลวงปู่ลีท่านรู้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมปุรี่เดินตามหลังเราก็เดินลงๆไปพอลงตามแมพเห็นเท่านั้นเองมันมาทํำไม <laughs> ถ้าเราจะให้ส่งน้ําเราจะบอกแต่มันจะมาหายุ่งทําไมนะว่าเคือ่อผ้าเนี่ยโอ้ย <laughs> พอเราหันหลังท่านหลงเห็นแต่ก้นหลวงปู่ลี่แมพแมพ <laughs> <laughs> <laughs> นั่นแหละเข้าไปวันแรกโดนดูแล้วเออเนี่ย โดนลงตาดุแล้ ว, วเหมือนกันเลยเนี่ยลงพ่อนี่เนียยว่าเราล่าให้ลูกให้หลานฟังเนีเข้าไปศึกษากับครูบาครูบาอาจารย์จากนั้นก็ลงพ่อก็เลยอยู่อยู่กับท่านโอ้อันนี้เป็นครูบาอาจารย์ได้เรายอมรับพูดอะไรมีเหตุผลถึงจะดุก็ดุมีเหตุผลเ อ, อถึงจะดีขนาดไหนแต่ฟังดูแล้วยอมรับไม่ได้ เรายยงกงนั้นไม่ได้เพราะนั้นครูบาอาจารย์องค์นี้หลวงตาเนี่ยหลวงตามหาโมลเป็นครูบาอาจารย์เรายอมรับได้จากนั้นเลยอยู่กับท่านตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสองจนถึงสองพันห้าร้ยี่สิบห้าเป็นเวลาสามสิบสี่ปีจำนด้ออกมาอยู่ที่นี่นั่นแหละชีวิตของหลวงพ่อ แต่พอศึกษากับครูบาอาจารย์ทั้งครูบาอาจารย์หลายหลายองค์แล้วก็คิดว่าการศึกษาของเราน่าจะเพียงพอ อ, อ, อายุถึงพรรษาถึงขนาดนี้เกือบยี่สิบปีแล้วการรวมกันทั้งเป็นเนนด้วยทั้งศึกษาจะไม่เป็นเน้นด้วยเป็นพระด้วย เ, เป็นพระก็สิบเจ็ดสิบแปดปีจะเป็นสัมมาณฑอีกแปดปี นี่ก็ยี่สิบกว่าปีน่าจะเพียงพอในการศึกษาจา ก, จากนั้นุลงพ่อก็เลยมาอยู่ที่นี่แต่อยู่ที่นี่ก็เด็กยังหมุนเวียนเข้าไปกาาราบคารวะท่านเป็นครั้งคราวเดือนหนึ่งก็ครั้งสองครั้งบางทีท่านก็มานะท่านก็มามา ม, ามาที่นี่นะมาช่วงหลังๆท่านก็มาปล่อย ท, ที่วัดนาคําน้อยเอสลงตามาเนี่ยหมาไปวูนเคยเห็นท่านมาไหม อันนี้เราเล่าประวัติสังเขปให้ลูกหลานได้ฟังว่าชีวิตของของพ่อเนี่ยเป็นชีวิตของพระแท้ๆชีวิตของนักพจนักบวชบวชมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีจนถึงอายุเจ็ดสิบสองปีปีนี้แหละท่าปัรษาพระเนี่ยห้ 52, สาสิบสองพรรษา สัมเณีอีกแปดบวชมาในพุทธศาสนาฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามีคนถามว่าลุงพ่อเสียใจไหมลุงพ่อบวชเขามานานเนี่ยลุงพ่อดีใจ <c oughs> ในภาคภูมิใจในชีวิตของตนเองเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายไม่ได้ทําอะไรทําให้ทำให้ขุนมัวเสียหาย มีครูบาอาจารย์กัมีครูบามีอาจารย์มีคันระดับที่ท่านสอนต่อความต่อหลักพระธรรมวินัยอย่างหลวงปู่แหวนเนี่ยครหลวงปู่หลวงปู่ล่าหลวงปเหมือนกันหลวงปู่ล่าโอพิธีพิถันหลวงปู่จามก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่หลวงอาหลวงปู่แหวนท่านมาได้สอนอะไรมากแต่ท่านไปเราไปดูแนวปฏิปทาของท่าน ปฏิปทาของท่านเดินอย่างกรมนั่งภาวนาไม่พูดไม่อะไรอยู่แบบเงียบสงบแต่ได้ที่ได้ความรู้มากก็คือหลวงปูล่ลากัหลวงหลวงตามหาบวัวหลวงปู่ล่าในท่านสอนแบบปู่สอนหลานอย่างที่ว่านปู่สอนหลานทางสอนทางบองทงกทางเก่ากฎระเบียบเป็นอย่างนู้นเป็นอย่งงานนยงนี้เป็นอย่งางนั้นนิดต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องทําอย่าง้หลวงปู่ล่าละเอียด แต่หลวงตามหาบวญสอนในระดับสติปัญญาควรคิดอย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างนี้นะหลวงตามหาบวญเพราะท่านท่านไปเรียนทางกรุงเทพได้เป็นมหามาวิชาทางโลกนะว่าเรื่องของทางโลกเนี่ยท่านพร้อมหมดทุกอย่างไม่กลัวใครถ้าเหตุผลล่ะ ขณะนาดนที่พดีกรมการศาสนาหมาพระในกลัวหมดเลยหลวงตามหาบุญนี่ชี้นิ้วเลยทําไมคือหลวงตามหาบุญเนี่ท่านไม่ให้ถ่ายรูปใช่ไหมล่ะปู่ปับมาเนท่านไม่ให้ถ่ายรูปแต่นี้ทางอธิบดีมาเนี่ยลูกน้องอธิบดีมากับขึ้นมากุฏิของท่านกับใส่พวดภาพพวกภาพพวกภาพไปถไทยลูกของหลวงตากัท่านอธิบดีเนี่ย ลงตาถ่ายทําไมถ่ายรูปฮะไได้รับอนุญาตอะไรย่างเนี่ยทาไมที่บดีไม่สอนเขาว่างเ น, นี่ยพวกเนวท่า น, ท, านท่านขู่ที่บอดีท่านที่ท่าที่พระโสดอื่นในกลัวที่บดีกรมการศาสนาใช่ไหมแต่ลงตานมมี่ยอืมกลัวแต่เหตุผลเท่านั้นเหมือนกันเจ้าของเขามีเอ เจ้าของคงมีมีสิทธิ์ทําไมจะถ่ายเจ้าของเขาทําไมไม่ขออนุญาตซะก่อนมันต้องขออนุญาตซะก่อนเขาให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายเขาจะดวกให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายทำไมไม่ห้ถ่ายแบบไม่ขอเลยเนี่ ย, ยแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ไม่เคารพเจ้าของภาพรูปเขาเลยเจ้าของภาพพอเลยเนี่ยหลวงตาคูนะต้องพ่อว่าเออมีเหตุผลใช่ไหมล่ะเออต้องมีเหตุมันก็มีเหตุผลเพราะเราไปในสถานที่ของท่าน ก่อนที่จะถ่ายรูปเราก็ต้องขออนุญาตเจ้ากอนตามมารยาทใช่ไหมล่ะอันนี้ปูับปรับขึ้นมาถือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ถ่ายหน้าถ่ายร่างเลยหลงตามหาบวญขู่เลย <c oughs> ที่พักได้ไปดูอย่างมหมาเนี่ยที่พกได้ไปดูแล้วครับผมได้แเป็นคนละโซนลายอ่ายชายแยกกัแล้วครับเียเอาหนังสือมาหาไม่ถึงท่านหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาหนังสือแจกหนังสือธรรมะ แต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ให้ไม่ให้ว่าไปแล้อ่านหนังสือทั้งวีทั้งวันไม่ใช่นะเพียง <c oughs> แต่ว่าถ้ามันง่อมัมนเหงาขึ้นมาแล้วก็เออคิดถึงบ้านมากก็สองวันเออเอาหนังสือธรรมะมาอ่านนะ <c oughs> คือก่อนที่จะให้หนังสือเนื้อหลวงพ่อจะขอบรรยายซะก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวรับไปแล้วไม่เห็นคุณค่าเนละไปโยนทัหนังสือหลวงพ่อทิ้งนะเออหลวงพ่อก็ต้องจับไปว่า ยาขวดนี่มีสรรพคุณ ko in. อะไรใช่ไหมล่ะอันนี้คงเหมือนกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีสรรพคุณมีคุณค่าอย่างไรจะต้องบรรยายให้เป็นเบื้องต้นซะก่อนแล้วก็เราก็จะได้เอาไปศึกษาหนังสือเล่มนี้เนื่อตั้งชื่อว่าตอ่อต่อตเปิดเข้ามาข้ mm างในต่อต่อต่อเตรียมตัวตายหนังส hey. ือเตรียมตัวตาย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 ถ้าเราคิดไว้ในใจอย่างนี้ถ้ารักใครพอไม่รักมากถ้าโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมากเพราะอะไรเพราะมันจะหนีจากการอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งไม่เขาต้องเราแต่ต้องหนีจากกันจะไปโกรธให้กันให้โง่ทําไมใช่ไหอก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกันไปเรื่อยๆอันนี้จะเกิดประโยชน์อันนี้มันจะดีไนงะอันนี้ดีรู้ไปจากไม่ดีอันดีก็เอาเอาความดีเข้าหากั น, น, นจะดีกว่าไม่ใช่เรอยจะเอาจะโมโหโกรธาเข้าหากัน มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะดีนะอันนี้เขาบอกว่าประมวลข้อคิดหลังจากอ่านธรรมะชุดต่อต่อตอหนังสือเล่มนี้นะเนี่ยเขาพูดพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านดูแล้วมีคุณค่าอะไรในหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยประมวลประมวลแนวความคิดของเขาที่เขาได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะนเขามาพิมพ์อยู่สามสีหน้านะอันนี้มี ธรรมเทศนามียหลายกันนะแต่ว่ากันนี้เนะี่ยหลวงพ่อเคยยกเป็นประเด็นหลักคยเป็นแนวความคิดหนะ่อยเรื่องแณพระฝรั่งไปเชิญปัญหาปัญหาชีวิตอย่างมีสติปัญญานะคือพระฝรั่งเป็นชาวเยอรมันเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงเขาบวชมา10กว่พาพรรษา14หรือ15พรรษาเนะี่ยหลวงพ่อนะ บวชเป็นพระที่มีอายุพอสมควรอายุก็ประมาณสัก้กว่าคงคงจะมีบวชอายุเมื่ออายุแก่พอสมควรพอบวชเข้ามาแนละ้วก็คงจะไปตะเวนหลา ย, ลา ย, ลายประเทศอย่างไปทิเบตศรีลังกาพม่ า, มาเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันคงจะไปศึกษาแต่้นเขามาอยู่ที่วัดหลวงปูชาวัด วัดหนองปงอ่าพงจากนั้นเขาเข้ามาที่นี่เขามาที่นี่เขาก็ถามปัญหาท่านอาจารย์ครับผมขอถามปัญหาท่านอหลวงพ่อเอ้ยท่านไปถามปัญหาที่อื่นจนพอแรงนะหลอนแหลกจนพอแรงนะจะมาถามหลอกๆเล่นๆกับผมนอะผมไม่ตอบไม่ใช่ผมถามที่อื่นผมถามแล้วแต่ท่านก็ตอบผมมาแล้วแต่นี้ผมอยากจะถามท่าน่ท่านจะตอบผมว่ายังไงน <c oughs> ok ้อเอ่อ ถามเข้าท่าว่าเออถามได้ท่านก็ถามว่าผมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอไปตรวจสุขภาพหมอเขาบอกว่าผมหมอเขาตรวจตรวจเลือดผมเนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นไวรัสซีต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับยาไม่มีทุกวันปีสองพันร้อยห้าสิบนะ ยาไม่มียาไทยยาจีนยาฝรั่งไม่มีแต่เพียงแตป่ประดังรักษาตามอาการเท่านั้นถ้าท้องอืดก็ให้ยาแก้ท้องอืดถ้าหาว่าปวดมากก็ให้มอร์ฟินแก้ปวดที่จะรักษาให้หายขาดไม่มีถ้าเป็นมะเร็งตับแล้วเพราะนั้นเมื่อผมเป็นมะเร็งตับน่มันอาการก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในเมื่อหนักขึ้นน่ะอผมก็ต้องไปนอนโรงพยาบาล พอไปนอนโรงพยาบาลมันอาการมันหนักขึ้นผมช่วยตนเองไม่ได้พยาบาลก็ต้องมาเปืือกผ้าแก้ผ้าเช็ดร่างกายให้ผมผมก็รู้ว่าพระวินัยของพระพุทธเจ้ากฎระเบียบพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ผู้หญิงมาแตะต้องร่างกายพระจนนาทีสุดท้ายผมก็รู้ว่าจะทำยังไงแต่ผมจนช่วยตนเองไม่ได้ผมอาการหนักแตพ่พยาบาลก็มาเปื้อกเช็ดร่างกายให้ผม ผมขอถามท่านที่ว่าในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นน่ะถึงเมื่อถึงจุดนั้นน่ะเราจะออกมาตายข้างนอกหรือจะตายในโรงพยาบาลตามความเห็นของท่านอาจารย์เขาถามความเห็นเพราะนั้นข้าวถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าลุงพ่อตอบเ้าว่าไงให้อ่านที่นี่นะลุงพ่อตอบตอบพระฝรังว่ายังไงให้อ่านจะรู้นะ แต่หลวงพ่อไม่เฉลยจุดนี้นะต้องต้องบอกว่าสปปรรพคุณหนังสือเล่มนี้คืออะไรใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ปัญหาที่สองเขาถามอีกว่าขณะที่ใจจะขาดใจจะหลุดออกจากร่างในช่วงนั้นะ่ะจะทําใจยังไงจะเอาบริกรรมจะบริกรรมกรรมฐานอะไรมาบริกรรมจะใช้บ็กรรมฐานบบ็ดฐานกรรมฐานอะไรบ่มาบริกรรม เราจะนึกคิดยึดอะไรยึดพระพุทธเจ้ายึดรพระธรรมประสงค์ยึดพอ่อยึดแม่ยึดคุณงามคุณงามความดีจะยึดอะไรในช่วงนั้นถ้าจะปล่อยวางจะปล่อยวางยังไงจึงจะถูกต้องสรุปแล้วในช่วงนั้นจะทจําใจยังไงจึงจะถูกต้องที่สุดตามความเห็นของท่านอาจารย์สวัสดี จะถูกจ้องที่จุดตามความเห็นของท่านอาจารย์ให้พวกเราอาาร่านดูว่าลุงพ่อตอบเขาว่างไงอยู่ที่นี่เหมือนกันฮะมาหาเล่มมีลูกนี่เล่มนเนเเอานะมีอา Gra. เล่มสีแดงแดงตายแล้วเกิดแต่แลวศูนย์มีมาอยู่ใวข้างหลังอันนี้หนังสือเล่ม น, นี้มีปุตรฉาวิสัชนามักคาสู่แก่นธรรม มีหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยอตอบปัญหานะอตอบปัญหามีผู้ถามปัญหาพ่อพระหลงราชินเเีเคยถามปัญหาท่านนะถ้าเราอำนวยความสะดวกให้เขาเลี้ยงเลี้ยงไหมเนี่ยจะเป็นบาปไหมเดือนหลวงพ่อพุทธตอบถอยหน้าถอยหลังพอแรง <c oughs> อ่านดูนะหลวงพ่อพุทธตอบพรท่านว่าอย่างไงหลวงพ่อหลวงพ่ออ่าน ฟังดยแล้วโอ้โอโหลวงพ่อพูดตอบอยากถ้าเกิดเมื่อนันอันนี้หลวงพ่อชาติเนี่ยหลงเขาถามปัญหาหลวงพ่อชาสุพัทโทก็อยู่ในนี่เล่มนี้เหมือนกันอันนี้เขาถามปัญหาหลวงตามหาบัวที่ท่านไปอังกฤษได้ถามถามต่างๆเขาจะรวบรวมมาเขาถามปัญหาหลวงตามหาบัวยังไงก็มาพิมพ์ในเล่มนี้ สรุปแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสามพระอาจารย์ที่ตอบปัญหาคณะสัตย า, าติโยมทั้งพระทั้งโยมนะถ้าว่าพวกเราบางทีอยากจะถามปัญหาอยู่แต่ไม่รู้จะถามยังไงอายคนอายท่านอาจจะได้รับคําตอบจากหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะหนังสือเล่มนี้ตายและเกิดและตายและสูญทําไมจึงมีหนังสือเล่มนี้ หลวงพ่อพูดในเอมพีสาเขาก็ถอดมาเป็นกันๆที่หลวงพ่อพูดแล้เกี่ยวกับการและเติดกายตายและเกิดและตายและสูญเนี่ยเพราะว่าท่านองค์ขบวนตรีท่านท่านหนึ่งท่านเป็นประธานปอตอทอและก็เป็นประธานปูนจีมเมนไทยและก็เป็นประธานหลายหลายประธานในเมื่อเป็นประธานท่านก็บอกว่าก็เหมือนกันเนี่ยรับสินอย่างนี้แหละ ประธานทรับสิทธิ์อย่างนี้ยพอ อ, อรัพย์สินแต่ที่คณะที่มาทํางานร่วมท่านเน่ยมีแต่หัวนอกทั้งนั้นมีโ ด, โดอรอย่างน้อยก็ปริญญาโทที่เป็นหัวหน้าสายงานแต่นั้นกันท่านก็เรียกประชุมพอประชุมมาแต่ละครั้งเนี่ยท่านก็นั่งหัวโต๊ะพอประชุมเสร็จแล้วก็เออเอารับทานอาหารเอาอาหารมารับทานพอรับทานอาหารนี่ท่านก็ถามในยบ่งอาหารเออ พวกท่านทั้งหลายที่มาไปชุมกันเนี่ยผมอยากจะรู้ความในใจของท่านและพวกท่านเหลือเกินในความคิดเห็นของท่านเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรที่ผมจะถามเลยนะอผมจะถามพวกท่านเพราะท่านเนี่ยเป็นชั้นปัญญาชนจบมาจากนอกทั้งนั้นเลยออย่างน้อยก็ปัญญาโทเป็นนักญาเอกมากเป็นส่วนมากที่นั่งด้วยกันผมขอถามนะถามแต่ท่านไม่ต้องอายตอบ ต, องตรงๆมาเลย มีความรู้สึกยังไงตอบอย่างนั้นผมอยากรู้อยากจะรู้ความรู้สึกของพวกท่านในคนในระดับพวกท่านนะผมขอถามผมขอถามเป็นหลายบุคคลเลยนะหลายคนเลยตอบผมตามที่ผมถามเลยนะคุณว่าตายและเกิดและตายและสูญในความรู้สึกของคุณศูนย์ครับศูนย์ครับ สรุปแล้วผมถามมาหลายครั้งต่อหลายหนสรุปได้ว่าคนที่ว่าตายแล้วสูญเ์นะท่านคนที่ว่าตายแล้วเกิดหเปซไม่แน่ใจสี่ปซผมถามมาแล้วเพราะนั่นท่านอนี่อยู่ในพุทธศาสนาในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วเกิด ท่านจะอ้างเหตุผลยังไงมาให้เขาเหล่านี้เข้าใจให้เขาเข้าใจว่าจะอ้างเหตุผลยังไงในหลักของพุทธศาสนามีมีอยู่แล้วให้ท่านอ้างมาเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงเทศแต่และกันละกันหลวงพ่อเออใช่มันจุดนี้เป็นจุดใหญ่เราจะมองข้ามไม่ได้ถ้าเที่ยวว่าตายแล้วสูตรเนี่ยมันคนไม่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเลยแต่เนี่เอเพราะว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรม เออมันกลัวแต่ในที่แจ้งกลัวกฎหมายท่านเองกลัวจะกฎหมายเออถ้ากฎหมายอย่างถึงเนะ่ะกลัวถ้ากฎหมายไม่เห็นเนี่ยทำเลยทําความชัว่วฆ่าใครก็ได้เพราะกฎหมายอย่างไม่ถึงเพราะคิดว่าตายแล้วสูตรตัวเองจะสูตรน่าจะไปรับผลอะไรต่อไปภายภาคหน้านี่แหละหลวงพ่อก็เลยอืจุดนี้เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องหาเหตุผลมาชี้แจงนะเพราะนั้นจึงมี หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วตายและเกิดเรือตายและสูตร <c oughs> ก็ให้ผู้ที่เอาเอาไปอ่านเอาไปศึกษาดูว่ามีความหมายว่ายังไงแต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของพระนว ก, กะบวชในปีพันษาพันษานี่แหละพอบวชมาแล้วเขาขบวชน้องพ่อครับผมได้อ่านผมได้ฟังธรรมเทศนาหลวงพ่อหลายกันแต่ผมก็ อยากจะตัดตอนคำไหนที่เป็นคำคมเป็นคำที่ว่าเข้าใจง่ายจะตัดเอาช่วงนั้นแต่ให้เป็นมีเสียงหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อจะขัดข้องไหมน้องอหลวงพ่อก็คิดว่าดีกว่าดีกว่าเขาหมัดอยู่ในวัดมัดนั่งจุกนั่งเจ้าคิดถึงบ้านอย่างน้อยก็ให้เขาค้นคว้าศึกษา ใ ห, ให้ฟังฟังเทปค้นแล้วคนอีกฟังแล้วฟังอีกอย่างน้อยก็จะได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของเขาคงจะเป็นประโยชน์มากถ้าเขาถ้าเขาใส่ใจสนใจในการคนา้นคว้าหลวงพ่อเออเอาได้อนุญาตเขาก็เลยรวมกลุ่มกันเขาค้นคว้าเขาคนไปพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแต่หลวงพ่ออ่านดูแล้วก็เออ น, น่าฟังเพราะหลวงพ่อเคยพูดไว้ในในเอ็มพีสานบวรนี่นะ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ใช่ไม่ให้เชื่อคนง่ายๆนะขนาดภาษาริบุตรเนี่ยทั้งอย่างปฏิเสธพระพุทธเจ้าฟังดูนะในพระไตรปิฎกหลวงพ่อได้ศึกษาพพระพุทธองค์ถามว่าดูก่อนสาริบุตรที่เราตถาคตตรัสไปนี่พูดไปนี่นะ่ะเธอเชื่อไหมภาษาริบุตรว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะยังก่อนยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะ พระสงฆ์ทั้งหลายก็คือหากันเออทําไมพระสาลิบุตรหัวดือ้อหัว้านหัวแข็งขนาดพระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังขนาดนี้ยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโอ้โหทะนงตนอย่างมากท่านสาริบุตรพระสาริบุตรเนี่ยพระพระองค์บอกว่าเดี๋ยวเราจะถามสาริบุตรให้ฟังอีกพวกเธอทั้งหลายฟังทําไมจึงไม่เชื่อล่ะสาริบุตรเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นํานไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้ว นำไปการกลองและนําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระพุทธองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข า, าฟังกันนะสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายฟังไว้นี่เอาสารีบุตรเป็นตัวอย่างถ้าฟังอะไรออกมาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อให้นําไปปฏิบัติดูก่อนถ้าปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังแล้วนั่นแหละจึงจะเชื่อควรจะเชื่อไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรมาเชื่อทั้งหมด ไม่ใช่ลูกจิตตะาคตอไปเชื่อได้ไง่ายๆได้ยังไงศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเอไม่ใช่ว่าให้เชื่อเขาพูดอะไรมาให้เชื่อทั้งหมดไม่ใช่ศรัทธาจิตมีจริงอยู่แต่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อมีเหตุผลที่ควรเชื่อจึงเชื่อนะหนังสือเล่มนี้ก็มีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นกติธรรมเป็นโคขอ้อหลวงพ่อกวัญชัยหลวงพ่อก็มาขยายผลว่านี้นะ ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อพูดอะไรก็เชื่อทั้งหมดเอเหมือนกับหลวงพ่อไปสนทะภายวัวตะภายควายเสร็จแล้วก็จูงตามหลังเป็นพวนมาเออเพื่ออะไรพอหลวงพ่อพอหลว ง, งพ่อสนตะภายแล้วก็จูงตามหลังใช่ไหมเนี่ยแหละพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเหตุผลต้องฟัง เมื่อฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติปฏิบัติเห็นผลยังไงยังค่อยมาพูดกัน น, นี่นะสินเป็นยังไงมีคุณค่ายังไงสมาธิมีคุณค่าอย่างไรปัญญามีคุณค่าอย่างไรตามหลักของพุทธศาสนาศินคือศรัทธานให้เชื่อในศินศินมีคุณค่าสํารวงกายวายจะให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลในเมื่อเราคิดค่าเขาเขาก็คิดค่าเรา ต่างคนต่างคิดค่ากันนละยเป็นยังไงมันสงบพรมเย็นเป็นจุกไหมโลกในยุคสมัยนั้นมันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างคิดค่ากันเนี่ยสินข้อที่หนึ่งของผู้ได้เจ้าคือปานาติปาตาเวรมณีอย่าคิดค่ากันเออให้เคารพจิตซึ่งกันและกันถ้ามีอะไรกฎหมายบ้านเมืองมันมีไม่ใช่ว่าเราไปฆ่าเขาใช่เราไปฆ่าเข า, เ า, ข า, เขาอีกสักวันหนึ่งเขาต้องมาฆ่าเรา ในเมื่อเราเขาเราไปฆ่าเขานะ่อยใช่เราฉะใจเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราเมื่ อ, อไรเน่ยเออไม่ใช่ว่าเขาเดินยงยงเขามาฆ่ามาเลยเขาเออเมือ่อไม่ทิมมืดมาในที่มืดฆ่าเราเพราะเราตายไปแล้วเนะ่ยไม่รู้ใครฆ่าเราเสียใจไหมเสียใจแต่เมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือสี่ข้อที่หนึ่ง พนะ่อที่สองอาทินอาทินาธานาอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันในเมื่อเราไปขโมยของเขาไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าถ่เนี่ยเขาก็เสียใจถ้าเมื่อของเราก็เหมือนกันถ้าเขามาเรียกพ่อเอาพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราไปเรียกค่าถ่ายเราเสียใจไหมเราก็เสียใจ ขโมยขโมยไม่ใช่ธ ร, รมดาป ม, มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ขโมยรองเท้าขโมยของที่เราไม่รักไม่ไปร้ายไม่เสียใจเท่าไหร่หรอกเออขโมยขโมยสิ่งที่ของที่เรารักหนึ่งเสียใจมากนะใช่ไหมเออเนี่แหละขโมยอธินานทานข้ทอ ท, 3, ทาาาอี่สามกาเมสุมิชาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของไขรของเขาขเขาก็รักสมบัตหัวงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเขาก็เสียใจ ถ้าเข้ามาล่วงร้ําเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือศินข้อที่สามข้อที่สีมุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเท่าไปต้มตุ๋นหลอกลวงโกนโกงโกหกคนอื่นเขาเคขาก็เสียใจในเมื่อเราไปไม่มีเงินเสียงเขียนเช็คแด้งให้เขานเช็คไม่มีเงิน ให้เขานะเขาก็เสียใจถ้าเรามาเขียนให้กับเราลนะ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเขาไปย้อมตะกัวว่าเป็นทองคํามาขายให้กับเราเราคิดว่าเป็นสร้อยพอที่ไหนได้เป็นตะกัวตายแล้วก็เสียใจอันนี้เราโกหกต้มถุนหลอกลวงคํานด้นะ่ะมันมีมากหลากหลายถ้าเราบรรยายไปแล้วนี่คือความ ไ, ไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันโกหกตอแหลหน้าตอแหลหลังอันนี้แหละอย่าให้เป็นอย่างนั้น สองชื่อสัตว์สุจริญต่อกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์และกัคัญชายาฝิ่นเ <c oughs> ฮโรอีนโคเคนมากมายยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงแต่จะเป็นมีชื่อและไม่มีชื่อก็ตามแต่เศษพระดื่มเข้าไปแล้วขาดทตินั่นละ่ะ ว่า ข, ของมืนเหมาของที่ขาดจติตเมื่อขาดจติตแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเลยเมื่อคนขาดจติตแล้วพนเป็นบ้าแล้วจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะล่ า, า, าลาบระลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติตนะเมื่อคนขาดจติตทาความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างอนี่แหละศินห้าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าสินข้อที่ห้าเนี่สุราเมร ย, รยระบัญชาเนี่ยเหมือนกับหลังคา หลังคาอาคารหลังนี้นหะคือมุงถ้าบ้านอาคารหลังนี้ไม่มีหลังคาเวลาฝนตกลงมาเปียกแดดออกมาร้อนเสียหายหมดของในนี้เพราะอะไรเพราะว่าบ้านไม่มีหลังคานี้ก็เหมือนกันคนคนเราถึงจะยศธาบรรดาสักสูงส่งขนาดไหนร่ํารวยขนาดไหนมีหน้ามีตานในชุมชนสังคมขนาดไหน แต่ไร้สติขาดสติท่านอย่างเดียวนะคนขาดสติอย่างเดียวนะัะหมดความหมายคือคนขาดสติคือคนเป็นบ้าเอย่า <c oughs> ดื่มสุราะนะี่เป็นบ้าชั่วขาวไม่ใช่บ้าทาวอนบ้าชั่วขาวบางทีก็กินต่อกันไปกบบเป็นบ้า ท, ทั้งวีทวันก็มีเหมือนกันนี่แหละเนื่องว่ามันเป็นบ้าแล้วเนะี่ยมีประโยชน์ไหม <c oughs> เสียวหายเพระคนเราดีๆทําไม่จะทําตัวให้เป็นบ้า ออยากจะเป็นบ้าเลยไม่บ้าไม่อยากเป็นก็ต้องเป็ีนนะพรากินดื่มเข้าไปแล้วนี่แหละนี่เราหลวงพ่อว่าสินข้อที่ห้าคือศินลังคาหลังคาอาคารอวบคุมถ้าเมาเข้าไปแล้วทําความชั่วอะไรทุกอย่างฆ่าใครขโมยใครลาลาบละล้วงในสา ม, มีภรรยาของใครโกหกใครต้มตุนหลอกหลวงใครได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศีลธรรมของพูดแจะเพียงศินเท่านี้เนะี่ยมีเหตุผลไหม ถามมีเหตุผลไหมเป็นสินคุ้มคลองคุ้มคุ้มของโลกเองไหมถ้าคนขาดศินมากๆไม่มีสินะเป็นยังไงน่าไว้เนื้อเชื่อใจไหมถ้าหากคนที่มีศินมากๆเลยหน้าเคารพน่าเชื่อถือใช่ไหมไว้ใจกันได้ใช่ไหมอยู่ด้วยกันมากๆเป็นผู้มีสินไว้ใจกันได้เนี่ยนี่ว่าศินของพระพุทธเจ้าคือสินคุ้มคลองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขคือศินห้า ศินคำนี้นะคุ้มครองในทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งกฎหมายคุ้มครองได้ในที่แจ้งเท่านั้นไม่สามารถที่จะคุ้มครองเน้นได้ในที่มืดถ้าเขาเขาทําในที่รับตาแล้วจะกฎหมายอย่างไม่ถึงเอาโทษไม่ได้แต่สิลธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองในที่รับทั้งในที่แจ้งพระองค์บอกว่านี่นะครูเน่ยเราเนี่ยทำความชั่ว ถึงจะดำในที่รับกฏ า, ามในที่แจ้งอะไรเป็นบาปเป็นบาปเข้าสู่จิตใจเป็นบาปพระกุศลใจจะได้รับความทุกข์กในขณะที่ทำบาปเหมือนกับเราเราจับไฟใ น, ในห้องปิดประตูให้ดีจับไฟร้อนไหมร้อนจับไฟในที่มืดไม่มีใครเห็นเลยมันร้อนไหมร้อนนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราทําความชั่วหนะ่อยในที่รับกว่าตามในที่แจ้งกว่ามนะคืออันนั้นคือความเสียหายคือความไม่ดีทําให้เป็นบาปเข้าสู่จิตใจคือความชั่วถึงใครไม่รู้กาตามตัวเองรู้แต่ตัวเองเนี่ยทำความชั่วในจุดนั้นไม่ถูกต้องที่เราทําไปทนะ่านจุดนั้นนะ่ะนี่แหละอันนี้คือจริยธรรมหรือว่าคํคำสอนของพุท ธ, ธะอันนี้คือเรื่องศีลนะเรื่องสมาธิเนี่ย เรื่องสมาธิเนี่ยทำจิตใจยังไงใจคิดยังไงเป็นคิดดีคิดยังไงคิดชั่วคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิเนีอันนี้ก็คือต้องมีสมาธิเป็นเป็นเป็นเครื่องรับทราบและปัญญาเนะี่ยปัญญาการกลองไตรตองเหตุและผลอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูก ต, ต้องตามหลักธรรมคาสอนอันนี้ก็คือ ปัญญาในหลักของพุทธศาสนานี่นและสินสมาธิปัญญาคือหลักใหญ่ของพุทธศาสนาแต่วันนี้พวกเราคณะสัทธา ญ, ญาโจมเข้ามาศึกษานะเรื่องสินเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่ดีและก็จะมาฝึกขัดเรื่องจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบพอสมควรโค้นพที่มีจิตใจสงบแล้วนะจิตใจหนึ่งเป็นหนึ่งแล้ว จะพิจารณาเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราว ท, ที่มีที่มีประโยชน์ที่จะนําเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ทิ้งไหนที่มันเป็นโทษถ้าทําลงไปเสียหายในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่อาอักตังดุขตังเสยโยปัจชาตปฏิดุขตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำํำซะเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแหอ อ, อย่างที่ทุกวั น, นเห็นไหมเรียงคิวกันเข้าคุกเินเข้าตลาดในเมื่อทำตัวเองไม่เป็นไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นพอทำเข้าไปแล้วมันเสียหายทำให้ตนเองเดือดร้อนขายหน้าขายตาในชุมชนสังคมนี่แหละอันนีว่ากรรมชั่วจทำเสียดีกว่า เมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังมีคติทำหลวงพ่อเสียนใส่ถุงนะัน่นแจกหนังสือให้ใส่ถุงด้วยนะเราส่งสินค้าออกนอกเราเราได้กำไรนะแต่ถ้าเราส่งใจออกนอกจะมีตะขาดทุนคนจกส่งใจออกนอกขาดทุนนะ คคนเป็นบ้าคนเป็นบ้า น, ค น, น, านคนสงใจออกนอกนะไม่มีสติอยู่กับตนเองนะขาดทุนผลปีเลยนะแต่จะนี้มีอีกตัวหนึ่งอันนี้กทินสา ม, มัคคีวัดปา น, นะคบน้อยสองสองสาห้าเก้าิธธรรมเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่ควรทำให้คนอื่นเขาพวกเรา ทุกๆ ท, ท่านฟังฟังเอาไว้นะเออมหาแจกเรืองสีวด